อยากมีความสามารถสร้างสรรค์ได้ต่อเนื่องถามเป็นคนทำงานเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสามารถคิดงานใหม่ชนิดที่เป็นต้นแบบได้แล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้ใช้มากอยู่เสียแต่ไอเดียดีไม่สม่าเสมอนักอยากถามว่าทำอย่างไรจะให้คิดงานดีๆออกมาได้มากๆ กรรมวิบากเกี่ยวโยงด้วยหรือเปล่าตอบพุทธศาสนานั้นมีหลักสำคัญที่จะทำให้เห็นทุกอย่างตามจริงซึ่งก็ง่ายนิดเดียวครับท่องไว้แม่นๆผลย่อมเกิดแต่เหตุและนั่นก็หมายความว่าถ้าอยากให้ผลเกิดอย่างสม่ำเสมอ ก็ต้องสร้างเหตุที่สอดคล้องกันให้สม่ำเสมอด้วยสิ่งใหม่ๆหาใช่เกิดขึ้นในอากาศเองลอยๆของใหม่คือสิ่งที่เกิดจากการประกอบของเก่าเข้าด้วยกันหลายๆชิ้นฉนั้นโจทย์สำคัญจึงไม่ใช่การพยายามคิดเล็งหาของใหม่แต่เป็นการเล็งของเก่าด้วยมุมมองใหม่พูดง่ายๆคือถ้าคุณทำของเก่า ให้เป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่การนึกคิดที่ฉีกแนวหรือแตกต่างออกไปได้คุณจะมีไอเดียใหม่ทุกวันเพราะของใหม่ของเมื่อวานคือของเก่าของวันนี้คุณแค่ใช้ของเก่าเป็นบันไดาพาไปสู่ของใหม่เท่านั้นอาจเริ่มต้นด้วยการหมั่นตั้งคำถามบ่อยๆประเภทอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นตรงนี้หรืออะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเอาอันนั้นออกไปเป็นต้นจุดหลักอยู่ตรงนี้ครับมโนกรรมหลักของนักสร้างสรรค์คือพยายามทำวันนี้ให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเมื่อวานผ่านไปแล้วก็ดีแล้วสำหรับเมื่อวานแต่สำหรับวันนี้วันวานยังไม่น่าพอใจเท่าใดนักหากคุณปลูกฝังนิสัยตรงนี้ให้อย่างรากลงไปในชีวิตประจำวัน ค้นหาข้อบกพร่องของงานหรือกระทั่งนิสัยใจคอของตัวเองและพยายามปรับปรุงดัดแปลงคิดหาอุบายวิธีเอาชนะข้อจำกัดของตัวเองไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าตัวเองมีความกระตือรือร้นในการมองสิ่งต่างๆเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่แม้น่าพอใจปานไหนก็มีแง่มุมที่อาจพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปได้ สำหรับบุญโดยตรงที่ส่งเสริมให้เป็นคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่คือการเป็นผู้เคยริเริ่มทำบุญในแบบที่แตกต่างอาจเริ่มจากอะไรง่ายๆเช่นเห็นคนอื่นเขาทำสังฆทานโดยการใส่ถังสีเหลืองซ้ำๆซึ่งพระไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีคุณก็เลือกถังพลาสติกสี่เหลี่ยมที่นำไปใช้เก็บข้าวของอย่างอื่นได้หรืออาจห่อด้วยผ้าหนา ที่อาจนำไปปูรองพื้นหรือรองที่นอนได้เป็นต้นความไม่หยุดคิดและการไม่ยอมตามรูปแบบการทำบุญซ้ำๆอยากฉีกแนวอยากปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นเป็นประโยชน์กับผู้รับยิ่งยิ่งขึ้นถ้าทำตลอดชีวิตก็จะรวมเป็นพลังบุญปริมาณมหาศาลส่งผลให้เกิดใหม่กลายเป็นคนคันสมอง ชอบคิดค้นและความสว่างยังใหญ่แห่งบุญก็จะปรุงแต่งให้ไอเดียผุดขึ้นไม่หยุดหย่อนเป็นน้ำไหลส่วนที่ว่าไอเดียจะประสบความสาเร็จมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการ 1. บุญเก่าที่ทำด้วยรูปแบบแปลกใหม่ได้ผลดีได้ผลจริงได้ผลเป็นที่น่าพอใจกับผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมณะผู้ทรงคุณเช่นเป็นสถาปนิกที่สร้างโบสถ์ด้วยสถาปัตยกรรมแปลกใหม่หน่าชื่นตาชื่นใจเมื่อเห็นภายนอกกับทั้งเย็นกายเย็นใจเมื่อเข้าไปนั่งข้างในบุญใหญ่ขนาดนี้จะส่งผลให้ชาติถัดมาเป็นผู้มีไอเดียเลิศเป็นที่ยอมรับระดับโลกโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเ้นคิดมากนัก 2. บุญใหม่ที่เกิดจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์แรมปีไม่ว่าคุณทำงานเกี่ยวกับอะไรหากทำด้วยใจรักทำด้วยความเต็มใจกับทั้งมีใจเปิดกว้างยอมรับความเห็นของคนอื่นไม่ตีกรอบครับแคบว่าจะต้องเอาเฉพาะไอเดียแรกหรือความปักใจเชื่อของตัวเองสมองของคุณก็พร้อมจะแตกกิ่งก้านสาขา หรือพุ่งไปข้างหน้าไม่ยั้อยู่กับที่ตลอดเวลาและการพัฒนาวิธีคิดโดยสอดคล้องกับความพอใจของคนอื่นย่อมทำให้ไอเดียของคุณมีโอกาสโดนใจคนหมู่มากได้เป็นธรรมดาไอเดียที่โดนใจคนหมู่มากนั่นแหละครับไอเดียที่ประสบความสำเร็จนอกจากนี้การบำรุงร่างกายแข็งแรงการทำกิจกรรมหลากหลาย ให้สมองได้ทำงานหลายแบบให้จิตใจรับรู้ประสบการณ์มีสีสันไม่ซ้ำซากจำเจก็มีส่วนช่วยให้ไอเดียผุดโผล่ง่ายกว่าคนที่สุขภาพอ่อนแอไม่มีแก่ใจคิดและเฉื่อยชาไม่ชอบสีสันแปลกใหม่จริงๆแล้วหากคุณทำทั้งชีวิตให้เป็นงานเวลาที่คิดออกอาจเป็นจังหวะไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ อะไรเข้ามากระทบนิดกระทบหน่อยก็กลายเป็นกิ่งก้านไอเดียต่อยอดของเดิมได้หมดครับซึ่งนั่นก็แปลว่าคุณใช้ชีวิตทุกวันงานใหม่ก็เกิดขึ้นได้ทุกวันเช่นกัน